ก็ฟังคำอธิบายในใการเจริญรบฐานสองวันก็ได้พูดมาถึงเรื่องการปฏิบัติเพื่อมักฝนหรือว่าเพื่อหนีนรกและใครจะไปหนีก็ต า, ามใจนีไม่ห น, นีนี่แหละหนีก็ขึ้นยอดหลวงพ่อทองว่าไปนั้ว่าการปฏิบัติเพื่อมาฐาน สำหรับเบืงแรกจริงๆที่เราจะเริ่มปฏิบัติธรรมฐานสำหรับคนที่ไม่ชิงส่วนใหญ่ไม่จะเร่งอะไรกันเลยจะได้การเจริญสมาธิถ้าเจริญสมาธิเฉยๆทำเป็นฌานสมาบัติอันนี้ผลมันน้อยเหลือเกินเขาไม่ใช้เวลามากแล้วก็มีหนังสือมีจดหมายเต็มมาก บอกว่าทํามาแล้วยี่สิปีสาสิบปีไม่เห็นไปไหนถ้านคนจริงเขาจะใครไปไหนก็ไม่อยากจะตายก็จะเป็นผีแต่คําว่าไม่ไปไหนโดยมากไปสังเกตสมาธิถ้าสังเกตการตั้งสมาธิอันนี้ไม่มีผลเพราะกําลัางร่างกายกามไม่แน่นอนคําว่าสมาธิเกิดขึ้นกับร่างกาย ร่างกายดีกำลังจิตก็ทรงตัวดีร่างกายไม่ดีกําลังจิตก็ทรงตัวไม่ดีงแม่ว่าร่างกายจิตจะทรงตัวดีขนาดไหนก็ตามด้านชาลกีก็อย่าไร้ผลคําที่ว่าไร้ผลก็เพราะว่ากายเกิดถ้าเราไม่มีการจํากัดไม่มีการแน่นอนว่าจะเกิดอีกีชาติหรือสุขถ้าเราธรรมลมถึงบรณฑูดาบัน ถากำหนดชาติกลเกิดได้ถ้าเป็นพระโสดาปันอย่างอ่อนที่เรีว่าสัตตะขตุงก็จัดมาเกิดเป็นรถอีกิจชาติถ้าเป็นพรดาอย่างเกศชาติก็ไปนิพพานถ้าเป็นพโสดาบัอย่างโกลังโกละอย่างกลางก็เกิดเป็นรถสามชาติคือพระดาได้กลมสามชาติก็ไปนิพพานถ้าเป็นโสดาบันขัณฑ เ, เ, เ, เ, เอกวิชี ตายแยกความเป็นคนเป็นเดิมเป็นปิือบันไดะพรมปรับประเจรพุทธาเดียวเป็นวัตถุภัยการปฏิบัติขบันไดในพุทธบริษัทยงยาสนใจเวลาการเน่าสมาธิเสมอไปให้สนใจอารมณ์การปฏิบัติจริงๆสุเจ้าต้องการฝึกอบรมคือธรรมรูให้สะอาดาอารมณ์สงบในหมาความม่าต้องสังเกต ว่าเดิมทีเดียวเราก็ทุกคนหือหลายหลายคนแต่บางคนอาจจะเปนเหมือนกันนั่นคือจิตไม่ชอบเคารพในสินห้าปกติแล้วจิตเราจะไม่ไม่ชอบเคารพในสินห้าพอใจในการละเมิดสินห้าบางข้อหรือหลายขอ้อ น, นั่แสดงว่าจิตของเราเลวมาก ตาอมาเมื่อปฏิบัติมาปฏิบัติมาก็ต้องสังเกตว่าเรื่องของสิ้นห้าจิตใจความครบมากเพีงยงใดถ้าจิตใจมีความครบสิ้นห้าครบทุกตัวทุกตัวคือขาบทแล้วก็มีกําหนดแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะมาคือการเที่ยงคไำบ้างแต่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ต้องถือว่าดีมากแล้ว ยังไม่ต้องไปตระร๊เดิโลภะ ค, ความโลภโทษสา ร, รความโสดโมหะความหลงเพราะว่าโลภะความโลภกนดีโทษสา ร, รความโสดคนดีโมหะความหลงคนดีหรือว่าความรักตะวันตกเทศคดีอันนี้จะตัดได้จริงๆต้องเลยประโสูดาภันสิกธาคารมีขึ้นไปสำหรับประโสดาภันสิกธาธรมีแค่บรรเทาเท่านั้น พระโสดาบันก็ดีพระสีธาคาร ม, มีก็ดีก็อยู่แค่สินห้าเป็นเกณฑ์สําคัญแล้วก็มีความพระรัตรานตรัยพาคมสินห้านี่พระบรรดาท่านพุทธวิษัชย์จะเลยว่าสินห้ายังไม่ห้ามความรักในว่าเสียังไม่ห้ามความโลภไม่ห้ามความอยากรวยนะไม่ห้ามความโกรธไม่ห้ามความหลง ถ้าว่าเราไปมองความรักในหวังเพศความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความโง่า ม, โมากเกินไปก็ยังมเมื่อเราเร ย, ยังเรวอยู่ต้องดูเป็นขั้นต่ำว่าเวลานี้เรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าไหมมีความเคารพในประธรรมไหมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ไหมแล้วก็มีความเคารพสิในสิ่ง้าไหมเพื่ อ, ย, อ ย, ยังตั้งใจและเมื่ออยู่รืึเปล่าบางสิ่ข้าบท ถ้ยังตั้งใจจะเมืัดบางสินค้าหมดแต่ว่าหลายๆสินค้าหทเราอาจจะมดไปได้เหลือแต่สินค้าบทดเลยสินค้าหมดเลยที่อย่างเราจะต้องเมิดอยู่อย่างนี้ก็ออยังถือว่าดีกว่าเดิมมากความดีก้าวข้ามาแล้วแต่ต่อไปใส่ความดีจีดละเอียดมากจนกรทั่งเสียบระลอบถึงห้างคนอย่างนี้ถือว่าดีมากค้าว่าดีมากก็อะไร ดีมากหมหยความว่าขึ้นชื่อว่าบาอภุศลทั้งหมด <c oughs> ที่เราทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสนําไปอบายภูมิ้าสัตม์มาเท่าไรรักศักดิ์สมุทรศักดิ์มาเท่าไรตัวพิจิตในการมาจีวระโคโกห ก, โ ก, โกโมดพิษเท่าไรเคยดิสุราเมไรมาเท่าไรทั้งหมดนี้ไม่มีโอกาสนําเราลงอบายภูมิเราลงไม่ได้ท่านนรก ก็เป็นปรผสมดาบันถ้าในนั้นคุ้มไหนพบผสมดาบันลงไปในนั้นุ้นั้นไปก็ด่าเพื่องลงโทษตัวหยุดทำงานก็บันดาลว่าเข้าจุดดีพิเศษอนนี้ตอบมาก็จะขอแนะนําำการเจริญวิญญามถ่ายจริงๆอย่ามุ่งถิวว่าวันนี้สมาธิดีมากมา ว, ามาวันนี้สมาธิดีน้อยวันนี้สมาธิไม่ดีอันนี้ไม่ควร เวลาทําจิตจริงๆเราทําสมาธิอันดับแรกให้ตั้งใจไว้ก่อนให้ปัญญาเป็นเบื้องต้นพิจารณาตามความจริงๆว่ากายเกิดเิ็นคนนี่มาจากสุขหริอไม่สุขถ้าถอยหลังไปดูว่ากายเกิดเป็นสัตว์ในฉานเป็นสุขเรือไมุ่ข สิ่งทีจะมองเย็นเยกว่ากายเกิดเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ปีจก็ดีไม่มีคำว่าสุขมีแต่ทุกอย่างเดียวคนเราสุขจริงๆไม่มีที่บอกว่ามีความสุขจริงๆก็เผลอถ้าไม่เผลอจะบอกไม่มีความสุขเพราะเราเช้าตื่นขึ้นมานี่ยบางวันเราอาจจะไม่ไปส่วมหรว่ามันอาจจะไปบ้างไม่ไปขี้ก็ไปเยี่ยมใช่ไหมละ่ะ ได้ไปส้วนในี่มันสุกแลันทุกข์คนทุกข์มันเดียงไปแล้ววันไหนที่เราไม่อิู่ข้าวไม่ต้องกินข้าวมีไหมวันไหนที่เราไม่ต้องกระทบกระลมที่เราไม่พอใจบ้างมีหรือเปล่าการปวดเมื่อยทางร่างกายเรามีไหมวันไหนไม่มีการหัวงอเขานอนวันไหนก็มีไม่เมียมันก็มีทุกวันอาการทั้งหมดอย่างนี้แกวกกายกความทุกข์ ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เพียงใดความทุกอย่างนี้จะนี้ก็มีตลอดถ้าเกิดเป็นคนอีกีธาตุแต่ว ก, ก็พบอาการอย่างนี้ทั้หมดไื่แ บ, บกการงความทุกข์ที<า> <c oughs> ่กี่ยวก่อนภาวนานและไม่ภาวนาเลยก็ได้เราคิดในตัวทุกเพราะวนาน่าอริยสัตว์ น, ตว น, ตวนี่ในความจีิงอาจจะไม่เหมือนกันนะอดัมสุษาตรงมาจากพระเจ้าท่านสอนเพียงแค่ทุกขสัตว์ตวัวเดียว เพราะว่ามาปฏิทินประกาศลาพุทธภูริครั้งสุดท้ายลาจริงๆสามวาระสามวาระตั้งสามปีปีนี้ลาแต่กระยับยัง่งเพราะเลาทำไมถ้าสาร ก, กับธภูมิเธอต้องการเป็นสาวกเธอเลยมาแล้วหลายร้อยชาติเวลานี้พุทธภูมิเขาไปแปดสิบกว่าจะลาทำไมปีนี้สองเ อ, อีกหลายอีกที่เบื่อ ่ก็ยับยังอีกพอปีที่สาเมเวลาท้าอรมณ์มันแต่ก็มีเงื่อนไขว่าเมื่อศึกษาก็ท่านแล้วจะต้องทำ ก, กิจพุทธภูมิสิบสองปีภายในที่สองปี่ะห้ามตายนันเรยกุพอถึงที่สองปีตายคือพักไปตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็ถึงเวลาใกล้หโมงกลงมา ไป ไ, ไม่ถึงไหนไม่ถึงดาวดินไปลอยเกกากจายแถวเนี่ยแต่ก็ไกเพรถูกปิดหมดจันดาดก็เต็มรลมก็เต็มพระรายก็เต็มทุกอย่างไม่ดุทรุกไปทางไหนเป็นการยับยังบอกเธอว่าเธอจะไปไม่ได้จะบอกว่าถึงเวลาที่สองปีตามกําหนดแล้วครับถ้ามองไปได้เราคนเทืเอกเธอยังไม่หมด คนเขาโยมเธอก็ยังมันหมดคนเขาขันที่ฝากไว้ก็ยังไม่หมดแต่ความจริงของพเราตรงโยมก็รถเพรื่อที่เรือเจวเรือนในน้ําบางครั้งก่อนน้ำนิ่งบ้างบางครั้งก็น้นํ า, าไหลตามน้าบ้างแต่คนพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เจวเรือบนน้ํำนะเจลเรือบรรทุกทายบนบกเลยแย่ลนะจริงจริงเพราะท่านแม่จริงๆ ถ้าไปตื้อสามวันไม่รู้เรื่องอะไรใช่แง่แง่เ <t> มียสีบ อ, ก ม, มอกมาแล้วมาแล้วคนของสมเด็จมาแล้วบางทีไม่ใคร่ไปนะแกก็บอกมาสี่คนหาคนสิบคนมาคนนี้ก็มาถึงเองรูปร่างแล้ว็นาดเสร็จคนที่สละนอาลากแจ๋วรูปล่างแบบนั้นมาใช่แน่ปวดหัวเป็นควายปวดควายมวนหเ็แก้ว ทพูดแล้ไม่รู้เรื่องไอเด็กมารู้เรื่องแต่คนแก่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นปู่ย่าแตยายคนนี้ยังไง น, นี่ความจริงคนถ้าหาว่าถ้าเขาดีจริงๆเขาไม่อยู่ที่เราเรคิดว่าท่านลากแกขึ้นสวรรค์ได้ขบวนตัว <c oughs> ยากเหลือเกิ น, น ร, ร, กรูปภาพการปฏิบัติจริงๆก็อยางมุ่งคำงว่าอารมณ์สงบอย่างเดียวให้เห็นทุกมาเรียนศักด์ ให้ําว่าอาริยสัจแลว้วหนักใจ <c oughs> อริยสัจจริงๆให้ความจริงให้เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์จริงๆกา ร, าาก จ, รจะทํามาให้กินได้ริงข้าวข้าวจะกิงก็ไปฟองได้ไมาจากความทุกข์เสื้อผ้าจะได้มาก็ได้ไมาจากความทุกข์บ้านที่อาศัยอยู่จะได้มาก็ได้ระจากความทุกข์แต่ว่าเราไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดพุ ธ, ธิดาไม่เกิดเป็นคนก็นหมดคนุกกัน นี่ก่อนภาวนาด้วยกพิจารณาอย่ายงนันนี้วันนี้ต่อมามาเช้านี่ตื่นขึ้นมาท่านบอกว่าวันนี้ให้แนะนําได้กิฬาสมาบัติคําว่ากิฬาสมาบัติจะสมาบัติขั้นสูงคือพยายามทําเล่นเล่นที่กีฬาในอารมณ์ของพระโสดาบันบ้างอารมณ์ของพระสีทาคารีบ้าง อารมัร์ว่านาคามีบ้างอารมัร์วระ อ, อรหันบ้าง <c oughs> แต่เนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติจริงก็ททำงันแบบนี้นะไอ้ที่เขาไปกันได้เขาแกล้งทำตัวเขาเป็นบระโสดาบันวันนี้ฉันจะเป็นบระโสดาบันสกหนึ่งขโมยโยงจิ้งลิงกัดที่ก็ไม่ทีไม่ตกไม่ต่อยไม่ทำอะไรหมดสินค้าก็กลืนบริบูรณ์ จิตตั้งใจเคารพแต่พระพุทธเจ้าในประทันทและพระอริยสงฆ์คือใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าดีขนาดไหนควรเคารพนับถือไหมพระธรรมคำสอนเขาสำเร็จเป็น ส, ส, ส, ส, ส, ส, สามสานุญาเจ้ า, า, า, า, า, าดีตอนไหนควรเคารพนับถือไหมพระอาริยสงฆ์ดีตอนไหนที่เราควรเคารพนับถือถ้าโดวยเฉพาะเกียงยิ่งศีลห้าดีคุณมประโยชน์อย่างไงทําไมต้องปฏิบัติกัน แล้ก็มานั่งไข้คุณด้วยกำลังคนใจญ่ราศินห้าในปาณนาติปาตาเวรามณีเว้นใาญกายฆ่าสัตว์เว้นใหญ่การวุธสลายสิ่งต่างกันเรามองเห็นโทษว่ากายฆ่าก็ดีวุธสลายก็ดีเป็นบัตรใจให้เกิดศัตรูการมีศัตรูไม่ใช่ของดีทางที่ดีสุดเราเป็นมิจฉาทิพกว่า เราใช้เมตตาความรักคุณาความสสายเข้าแทนดีกว่าเห็นหน้ากันก็ยินแยจ้จยำใสมีความใปนสุขเห็นคุนคนไกลเคารพทินห้าข้อดีเห็นห้าข้อดีสองโทษถ้าเราไปรักไปขโมยเขาเขาเปลี่ยนเราก็าเขา ไ, าขาไปสกตรกกันต้องนอนในหลับ อ, อาหารว่าทุกคนมีสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เรามีอยู่ เราก็เลยเราไม่อยากได้เไหมว่าเราไม่อยากได้ของเขาโดยไม่ชอบเขาเขาไม่ให้เราไม่เอาถ้าจะได้มาขเขาเต็มใจให้อย่างนี้ทุกคนก็มีความรักซึ่งอะกัน่างคนกต่ก็มีความซึ่งและได้การเมสุภิท้าใจกันไปกันทุกคนมีสันโดษในผู้กองเข า, าตนเองไม่ระเมิดคนรักของบุคคลอื่นอย่างนี้อันตรายก็ไม่มีไม่มีสัตว์โลก วาจาที่พูดไปต่างกความเป็นจริวอย่างนี้ไม่มีใครทุกข์เกิดทุกคนเขาเคยวาจาเจียนหน้าก็ไปจะยิ้แย้มแจ่มใสข้อสุราเมอะไรเป็นปัจจัยทำลายประสาททำลายความดีอันนี้เราไม่ยอมเพราะว่าระทุกคนทุกคนไม่ต้องกายความเป็นบ้านคนกินเหล้าก็คือคนบ้าเขากินเหล้ากินน้อยบ้าน้อยกินบ้างมากบ้ า, บ า, บามากเพราะอะ กินแล้วขาดสติสมุนยาเมียการไม่ต่างนคนบ้าไอ้คนที่ก็บ้าจริงๆแล้วก็น่าสงสารแต่นคนกินเหล้าบ้ามใน่าสงสารเพราะไปซื้อความบ้าจากเจ๊ใช่ไหมใมครลอเคยซื้อบ้าไหแตปเอาม่นิดหน่อยนิดหน่อยวันละสองสแบงนี่เราซื้อความบ้าจากเจ๊สิ้เนงเงินเกี่ยงเงินพอ ที่เวลากายงานเสียศักดิ์ศีก็น่าพิจารณาความทั่วความดีแต่ที่เบาๆนะลองคว า, ว า, ามไหวทบทมองนี้เราจะเป็นปัศวดาฝันลองเป็นได้โกโก้ก็จะบอกใครว่ารักษากำลังใจมัตเรโมนี้เราจะไม่ละเมิดทําไปทำแไปแล้มันชินทักสามเดือนถ้าสามเดือนแล้วมันไม่ได้โกโก้แล้วมันสง่งตัวแค่สามเดือนนัหไม่มากใช่ไหม ก็มีอะไรใช้ปัญญาพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็มีคุนพระรักอยู่แล้วมีเพราะอย่างนี้พวกเราของไม่ยากก็ อ, อะไรสั่งสมบัรมีจะมาล้นต่วผู้ที่นั่งเนี่ยตรลงความว่าถ้าหลุดมาจะไม่สีตะลายแล้วจะไม่ลงใครต่อใครก็จังคนนี้ล้นตัวทุกคนไอ้บัรมีเดิมมันล้นมาจะพอใจเป็นเคิร์นไปแล้ว เคลื่อนไปต้องขึ้นต้นใหม่หมายความว่ามันถะนี่ง่ายทํำง่ายนี่พวเราว่านั่งกนเบียเสียดยาเยีย่กันแบบที่บางคนมาแต่เช้าจนกระทั่งถึงขีดบารมีเดิมไม่ดีจริงๆนั่งจะไม่ได้มันปวดมันเมื่อยแค่เหยียขาก็้ามาถนัดอันี้ต้องพิจารณาความดีของตัวว่างๆความซ้อมความเป็นผสโดาบันเล่นโง่ จำ่นวันจะมองเพราะจะมองกระจายยาจะมองไหนจะมองที่พบกับคนหรือจะมงที่ไม่พบกับคนก็ได้ไม่มีความจำกัดอันแรกให้จะมองให้สบายใจก่อนอาจจะใช้เวลากลางคืนก่อนหลับประมาณหนึ่ ง, งเราจะเป็นประโสูติธรรมใให้ทรงตัวะนะเาเข้าวลงไปชินเอาตอนช้าก็จะเป็นประโสด า, าิธรรมสักหนึ่งชั่วโมงนานข้าวก็ลาประมาณสอชั่วโมงสามชั่วงคอยืนยันว่าไม่เกินสามเดือน อารมณ์ของโสดาบันนี่โรงตัวแน่พอพระโสดาบันระวังแค่สิ้นข้าตระหนี่ใช่ไหมต่อมาได้เห็นว่าอารมณ์ของโสดาบันเป่าเกินไปทำไปเสร็จไม่ช้ารู้สึกวมดเบาน้อยเกินไปสําหรับเราลองย่องย่องเล่นอารมณ์รัศจิธาคา ม, มี้รงสักหน่อยอารมณ์รัศจิธาคามีมีอะไรบรรเทาความรักในระหว่างเพศ อารมณ์ี่มีความรุมแรงในความนักธรรมะเพื่อจะก็นั่งคิดว่าเราจะรักกับใครจะแต่งงานกับใครไอ้นคนนั้นเรื่องใหญ่คนนั้นตายคนนี้จะมันสวยมันลงตลอดเวลาไหมไปดู ต, ตัวอย่างคนนี้ก็แต่งงานแล้วมีความสุขก็มีความทกมมข์ามองเห็นวนะ่ามีความทุกกิจมันก็หมันเข้ามาด้านนี้ความร่ำรวยเกินก อ, อดี เพาะว่าร่ำรวยเกินพอดีนี่หมายว่ารวยต้องการรวยเกินตัวต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาอย่างนี้ถือว่าจะเกี่ยวแต่การเกินไปว่ามันมีการสงควรไหมที่มาดนชีวิตของเราโดยขนาดไหนเมืก็ตายถ้าเราสา ม, มารถทรงชวิตได้ถือว่าเป็นความดีไม่เดือดร้อนที่ไม่ตก็งมาเทามาด้านมันเทาความโตค่อยๆเันเทาตัวเกิน เราเคยตกรขนาดนี้คนนี้อยากจะฆ่าอยากจะคิดตัวทุจริตไรอยากจะแก้มือเขาด่าเราเรายากด่าตอบแล้วอยากจะด่าตอบเขาคิดตัวทุจริตไรจะเราจะคิดจะฆ่าก็าตอบแต่ว่านั่งเล็กลงว่าคนที่เกิดมาในโลกทุกคนมันตายหรือไม่ตายถ้าทุกคนเขาต้องตายเพื่องไปฆ่าเขาทำไมถ้าฆ่าคนคนหนึ่งเราก็ไม่เป็นสตรูงสมบูรคนเดียว เราต้องเป็นศัตรูตัวคนในตระกูลนั้นท่านเป็นเองยังมีพวกพ่อต่างหากอีกก็ชื่อว่าความโกรธไม่เป็นปัจัยของความดีในอารมณ์การเล่าร้อนเราไปกับกันอันนก็ดูความหลงเราหลงในร่างกายเราหลงในร่างกายคนอื่หลงในทรัพย์สินหลงในวัตถุหลงในสัตว์ที่เราเลี้ยงถ้าหลงคิดว่ า, ร, า, า, ร, า, าร่างกายเราจะไม่ตายร่างกายมันจะไม่แก่ ร่างกายคนที่เรารักจะไม่ตายจะไม่แก่หลงในทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ว่ามันจะอยู่กับเตลอดการรอดสมัยอย่างนี้จะาพิจารณาไปไมันก็ไม่มีความจร่างกายเราแก่ทุกวันร่างกายคนรักเราแก่ทุกวันทรัพย์สินต่างๆนี้หาม ไ, ไม่ได้เมื่อหาจะมาด้วยความลำบากใช้ไปจนหมดต้งหาใหม่อคําว่าหาแนละต้องหาคําว่าไม่หลงหมายว่าเราไม่ติดในมัน แต่เรื่อทิ้งตามความจีิงว่าร่างกายนี้ต้องตายร่างกายคนที่เรารักจะต้ อ, องรับต้องตายทรัพย์สินถ้าเราตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเราเราจะหลงมันเพื่ออะไรถ้ามีชีวิตอยูจ่จะทํามาให้ทิ้งตามปกติตายแนะคนเหลือกันไม่สำ ค, คันลองซ้อมได้อย่างนี้แบบสบายๆจะซ้อมเบาๆยังยากแต่แยังง่ายจริงๆก็ซ้อมอรมณ์วัสดาปันญ์และซ้อมอ า, า, านมณ์อหารเลย นง่ายกว่าเยอะลองซ้อมก็ซ้อมวันละชั่โมงหรือหมื่ น, น, นถ้าเมื่อเ้าเมืจับอกให้เตือใหซ้อมทุกคนไปซ้อมนะถ้าซ้อมไต่เต้าแบบที่หนักชา้านี่เรพูดไปพูดม า, าท่านบอกให้ไม่ได้ขึ้นต้นหเขื่นต้นใหม่ท่านบอกอย่างนี้ใช่ไม่ได้อ้าแต่มาคืออยู่วโ เราทำอย่างแกกี่ชาติขอเลยเอาใหม่เร้่งต้นใหม่ก็ว่าทรงเราคิกซ้อมว่าเราจะเป็นพระโสดาบันง่ายดีข้ารับพระพุทธเจ้ารบพระธรรมข้ารับพระอริยสงฆ์ตั้งใจทรงถึง5หษษ้บริสุทธิ์วันละชั่วโมงก่อนชั่วโมงไหนก็ได้นอนนอนแต่ข้าจะเข้าถ้าลมิงเปลี่ยนไปขยับเป็นสองชั่วโมงขยับเป็นสามเปสามชัม แต่ก็บอกว่าถ้าทาอย่างนี้จริงๆไม่เกินสามเดือนแน่นอนอรมณ์เบอโสดันบางดาวันจะส่งตัวส่งตัวสเกตการส่งตัวคือสินห้าบริสุทธิ์ตัวเองไม่หกค้อในสินห้าแม่ก็จงจย่าลืมว่าสินห้าของเราถ้าโยจจขับต้องมีเดียวันมาถ้าไม่ตั้งใจอย่างเรื่องค้อยุงกลางวันทำอยังว่าเราตัวยุงมันจะตาย เ ต, ติดต่างด้านหนึ่งให้หมดหอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็ไปเปิดฉีดทีทีเข้าขวาอสก่อนให้มันจะอ อ, อ, ออกไปออกไปเรื่มีฉีมันก็ยังหนีมันหนีแล้วก็ค่อยไล่ตามเรือยน้อยแย่อู่ตัวเมื่อนี้เอาตาตัดไปอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันจะตายจริงๆสินเราไม่ขาดเพรมีมีเจตนานี่จะไม่ไม่ตั้งใจฉีดตัวตั ว, ตวไม่ได้นะไม่ตั้งใจให้ตายจะฉีดตัวตั ว, ตวเลยก็ไม่ได้ แล้วต่อไปก็บอกคนซ้อมอารมณ์พระอรหันเลยก็จริงตอนเชา้ามที่พระไทยว่าพระโสดาวีภากานะคาถ้าโบกทิชชูให้เราซ้อมอยู่ตอนนี้ ก, กาลังใครไม่ได้เนี่ยปูมันเป็นโรงพยบาลอยู่เลยใันก็ต้องนั่งเรียนยตลอดเวลาใน ต, ตอนพระ อ, อารมณ์พระอรหันอรมพระอรหันมีตรงไหนสังขารเลกิขายาง อาหารจริงๆมีรมเป็นสังขารเปรตกายานมีรมเฉยในร่างกายพวกเราเรื่องร่างกายคนอื่นไม่ต้องไปสนใจมอาอใ จ, จรักใ จ, จชอบตั้งเป็นของธรรมดาอันดับแรกตีร่างกายก่อนเพราะว่าเราไม่ใช่ร่านาคามีก็ไม่รับใครมัต้องมีบัง้งเราซ่อซ้อรื่อร่างกายพวกเรามันดีมันเร็วถ้าร่างกายพวกเราดีจริงๆก็ไปกองจิ้มข้าว ร่างกายดีต้องเป็นร่างกายเทวดาร่างกายผมถึงแม้ว่าท่านจะดีน้อยไเ่ถึงนินท่านก็นยังดีเทวด า, บ า, บาบก็ดีคมกว่าดีท้ายเกิดแล้วท่านเป็นหนุ่มเป็นสาว ท, ทันทีแลววันเกิดวันแรกเป็นหนุ่มเป็นสาวขนาดไหนทนถึงวันจุดติวันตายท่นานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่การทรงตัวการวิ่ผลิตเศษทุนี้เดียวไม่มีและแปรการในสองเทวดาร่างคม ท่านไม่ตกกินอะไรเลยท่านอิ่มตลอเวลาแต่การเดืสามเทวดาทนะ่านผมไม่เคยอาบน้ำเลยเอ๊ะท่านอรลงเราอยู่ในแนวลบเราไม่เคยอาบน้ำนะจริงๆกันนะสามตีไฟเลยอาบนนะ้ำตอนนั้นนะผมไปเทวดาเนระีย <c oughs> เทวดาหน่อยถ้าเคยตอนนั้นอย่างลงไปกระถาเทวดาลูก ท่นไม่มีการดับน้ําร่างกายหอมมนหนุนหอ ม, อมไม่จุดผมร่างกายเทวดาและผมก็มาเห็นเทวดากับผมไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บแต่เทวดากับผมไม่เคยมีรูปไม่สบายเพราะฉะนั้นถ้าตรม์ของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่มีไหมเราเทวดาและผมได้หรืเปล่าแต่เทวดากับผมยังต้องการการเกิด ยังต้องการสร้างความดีต่อแต่ว่าอารมณ์พระพาหันเฉยทั้งหมดสังขารลเปกขยาใยเฉยเฉยในร่างกายถือว่าเรื่องธรรมดาทุกอย่างก็จะเรียกว่าพระพาหันเนี่ยยอมรับทับ้งผิจุดเดียวมีความรู้ไม่เกี่ยวกัพารันมีความรู้แค่ธรรมดาร่างกายมันหิวถือว่าธรรมดาเพรามันจะต้องกินถ้าไม่กิงก็มีทุกข์ถ้ามีกินไป ร่างกายบรรพุทธุจาระปัสส ะ, ะต้องไปแน่ไม่ไปท่ า, จานจอะไหลออกก็ธรรมดาข้อปฏิญี้ไม่บน่นร่างกายป่วยไข้ไม่สบายถือว่าเป็นธรรมดาเพรร่างกายที่เกิดมาต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นแก่ก็ถือว่า่างธรรมดาเพรา่างกายเกิดแล้วมันต้องแก่ถ้าอารมณ์อารมณ์ที่มีความปรารถนาไม่ค่อยสมบวังก็ถือว่าเป็นธรรมดาเพรามนุษย์ตัวไป ที่เกิดมาแล้วมีกรรมที่เป็นกุศสุลทรกุญสุน่อบกันอยู่ขนาดใดที่กุศสเก่าเขา้ามาพอบงานจิตประิมาทรใจเวลาไมนความปรินาสมบัติทุกอย่างขนาดใดได้ความปรินาไม่สมบังก็ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะมีร่างกายอวุโสที่ครอบงามมาถือเรื่องธรรมดาของมันถ้ามันจะตายและใครจะตายใครคนที่เรารักคนที่เขารักจะตายถือว่าเรื่องธรรมดาคนท่านจะต้องตาย ร่างกายเขเราจะตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใช้ลมสังขารฤทธิ์ขยันเฉยตนที่มีเราคิดว่านั่นเป็ธรรมดาใช่ไหมค่อยๆทํารักษารงธรรมดาให้สรงตัวแต่บางทีเราอ่านเราเสีอมากเกินไปเอาก็อจริงๆถ้ามันหยุดแค่ธรรมดานี้เองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงมันทรงตัวอย่างนีตามเป็นเรื่องธรรมดาของมัน ที่ว่าที่เป็นธรรดาเพราะมันไม่เป็นแต่เราคนอื่นเขาก็เป็นเราเมื่อเกิดว่าแล้วต้องแก่อตอนเด็กๆมันก็แก่ขึ้นแก่ไปให้ความปสมดุลสาวก็ เ, เรื่องธรรมดาของร่างกายแต่หนาที่สองตัวแก่ขึ้นนั่นแหละมันก็มีการป่วยแท่นแต่บ่ายบ้างมีการเรากระทั่งอารมณ์ก็ไม่ชอบใจบ้างหนาวเกินไปร้อนเกินไปบ้างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายใจเสื ร่างกายเกิดขึ้นมาถ้ามันหลงไหลอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่ดีต่อไปเมื่อความเป็นหลุมป็นสาวต้างมาถึงแล้วมันจะได้ก็ไปทรงตัวต้องยอมรับกฎธรรมดาว่าความเป็นหลุมเป็นสาวมันจะทรงตัวอยู่ไม่ได้มันต้องแตกธรรมดาเกิดมาต้องแกกต่อไปเมื่อความแตกเข้าถึงจิตใจมันสบายถือว่าเรื่องธรรมดาแต่ความป่วยไข่เกิดขึ้นมาถือว่าเรื่องธรรมดาต้องรักษา ถ้าสาห่ายก็หายไม่หายก็แล้วไปถ้าคือไม่หายเพื่อพังเข่านี้ฉันไม่ต้องการเลยอีกฉันจะไปหรือไถ้าร่างกายมันป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักก็คิดว่าเออมันทําได้ปกดีแต่คิดอย่างนี้อันดี้ไม่ดีมัหายเร็วเพไอ้ โ, คอโรคภัยไข้เจ็บมันโกงคนบ้าไปคิดว่าคนตายจะก็ตายตายมาันนังจะไปในีานมันนังมันไม่เอาด้วยดีไม่ดีรีบหายเลย นี่เป็นเรื่องจริงนะมีความปวดหนักขึ้นมาปวดเอาเมื่อยากจะปวดก็ปวดไปเองอยากจะปวดก็บังเองขฆ่าจะไปปวดด้วยเองปวดหนักวันใดกูจะไปมาถามผ่้พานั้มันเลิกนี่แปลกไอ้พวกโลกนั่นโกคนบ้าถ้าทําไมจะรู้ฉันเคยซ้อมความบ้าบางคราววัปวดเท่ามากๆปเปื่อหนักๆอย่างกับว่ารีสองห้าสองห มันมาทั้งที่มาปกติจะลงมาสอนไม่ได้นะอยู่ต้องบนม า, าเกียนตลอดเวลาถ้าตอนเย็นคือเวลาสี่โมงก อ, อเกียร์ล า, ายเกียนเรืเ่อยไปนั่คือเกนกวัาจับตอนเช้าบางทีมันก็ว่างไปพักหน่อยมันอยากชอก่อบใจก็ไอเกียรแต่ว่าถ้าอยู่ที่วัดถ้าถึงเวลาบ่โมงท่านอกอีบ่ายโมงถึสี่โมงยายเกียนนะครับมันจะรับแท่แต่ก่อนมันเคยเกียรไปสองครั้ง ก็ยักยังให้บายโมงหรือสี่โมงไม่เกรงเปลยแแปลสบายไอ้คนที่ไปก็คือพ่อไม่เป็นเป่นอะไรแต่ว่ากริงๆพ่อไม่เปล่นอะไรแต่ล่างกายมันเป็ี่ยนพอสี่โมงพักกลับมาเอาราชเกียรตออก อ, อออตามเวลามัก็ดีว่าง่ายสอยง่าแต่มมวา่าถ้าดื้อดันเราก็เลือกนักแสดงนี่ท่านพระบรมเจ้าอยางโกวคนบ้าจะนลันม่ให้เกรงแต่มัฉันบ้าพอดีอเลดีคันเลือกแแพงวัาานนี้ ต็รวมความว่าเรายอมรับรก็ถือกฎธรรมดาจิตมันก็ไปสุงให้มันเฉยเขาไม่เฉยนีย่ไม่ใช่มนิจใจเลยนึกดึความจริงเขง้าใหมาให้แก่เออธรรดาต้องแกเราไม่มีทุกข์เพราะความแก่มันค่วยค่วยเจ็บมันต้อเจ็บแต่ใจเราไม่มทุกข์เพราะความสวยถือว่าเรื่องธรรมดาแต้ทุกขเวทนาทางร่างกายมันต้องเกิดต้องรั แต่ใจเราไม่มีตงกังวลช่อยควรอันจะตายยังควตายอยู่เป็นตัวถ้าตายเมื่อไรเขาปฏิภาณเมื่อนั้นจะลืมว่าการไปที่ผาเรื่อการจะเป็นพลังอยู่ที่ร่างกายตัวเดียวถ้าเราไม่หลงในร่างกายเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นทาไรแต่นี้นะถ้านั้นไม่หลงร่างกายลมใจเป็นพลังตายเมื่อไรก็ปฏิภาณเมื่อนั้นตอนนี้ก็หมดจิตใจ น, นี่ดีกวหมดเวลาแล้วเนี่ยพอไหม ไม่พออีกต่อไ้ไปอันน่้แล้วไม่อันนั้พูดดีเออเลยเวลาไปสามีพูดใหพคุมาบอกใชไม่ได้กุขึ้นต้นให่ใช่ไหมคุณ ไ, ได้ยินไหมนั่งอยู่บนหัวหฉันนะ